เข้ามาสู่ที่ใจของเราใจเขาลองจะได้สว่างสวัยในขณะนี้ในขณะที่เรากําลังจะทํากรรมาฐานเนี่ยสมาธิที่พระเจ้าท่านปฏิบัติมาสมาธิที่มีสติจะได้เกิดขึ้นกับเราสติสัมพชงองค์ขันตาจะได้เกิดขึ้นกับเราเป็นคุณททิธรรมที่เครื่องตัศรุว่าเครื่องพุนทุกข์ก็จะได้เกิดขึ้น แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสู่กายหเห็นกายของเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมถึงเบื้องร่างคือปลายเทา้าแล้วก็ทำความรู้จักหเห็นกายของเราหเห็นใบหน้าของเราใบหน้าเราอย่างไรก็นึกเหมือนกับงงเงาตัวเองในกระจกนึกถึงใบหน้านึกถึงเส้นผมของเราเราจะได้มารู้จักกายเห็นกายกายของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปกายเราต้งแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเ ป, เป็นที่ตั้องของกองทุก เราจะได้มารู้จักกายที่เราทุกข์เระโศกเพราะเราไม่มาดูกายไม่ไปเห็นกายก็ทําให้เกิดความทุกข์และความโศกเกินขึ้นเมื่อเรามาดูกายเห็นกายความทุกข์และความโศกมันจะได้หมดไปบาปและอกุศลจะได้หมดไปโดยฉับพลันแล้วก็มาถึงกายหเห็นกายของเราเราก็นึกลงเรื่อยไปถึงศรีรษะถึงลำคอถึงหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเรียบมือ ลำตัวของเรามีลักษณะอย่างไรสองพ่คนขาข้อเข่านักเข่งข้อเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เด็กดูให้สว่างสวัยขึ้นในเห็นกายของเราแต่ละอย่างแต่ละส่วนจากเบื้องล่างเกิดปลายเท้าถึงเบื้องบนคือดปลายผมแล้วก็พิจารณานึกกลับขึ้นมาถึงเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรเล็บเท้าก็เป็นที่ตั้งของกองทุกนิ้วเท้า ก็เป็นที่ตั้งขอ ง, งกองถุกแล้วนึกขึ้นมาถึงฝ่าเท้าถึงข้อเท้าถึงหน้าแข้งว่าเขาของเราถึงคนขาสะโพกราตัวเท่ไรแคนเฝื่มมือนิ้วมือเรียบมือของเราเท่าไรราคอเสียสะใบหน้าเส้นผมแล้วก็ น, นึกดูให้เห็นให้สว่างสวายขึ้นเรียกว่ามาดูกายพิจารณากายเรามาดูกายพิจารณากายแล้วก็าธาตุก็จะได้เดินสะดวกด้วยาธาตุ โคจรท่าลมก็จะได้เดินสนดวกเมื่อการนั่งแล้วก็จะเกิดความสบายเบาสบายขึ้นโครคภัยไข้เจ็บก็จะได้หายไปหมดไปแล้วก็จะไม้ไมาเห็นกายบริสุทธ ก, กายของเราแล้วก็เป็นหลักในวัตถทั้งห้าที่เราจะทิ้งไม่ได้ในการเข้าสมาธิเราก็พิจารณากายในการออกเราก็พิจารณากายก็เป็นวั ส, สีในการอยู่ เราตั้งใจว่าสงบ20นาทีก็ให้อยู่ใน20นาทีก็เป็นวัสีในการอยู่วัสีในการพิจารณาองค์ชานปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นวัสีในการพิจ า, ารณาองชานแล้วออกออกจากสมาธิแล้วเราขยับว่าเราเปลี่ยนเราก็ดูเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งทางทางกายด้วยทั้งใจทั้งใจที่มัน อารมณ์ที่เราซวยอยู่มันคายไปก็ตามดูก็จะเป็นวัตถีทั้งห้าในหลักการปฏิบัติ <c oughs> เราก็จะทิ้งหลักนี้ไม่ได้ใ น, ในการพิจารณากายถ้าเราปฏิบัติเองเราก็อยนั่งพิจารณาเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ในถ้าเราจะให้มันสงบก็ให้อยู่ในที่เรากำหนดว่า20่สินาทีให้อยู่ใน20่สินาทีแล้วก็ให้อยู่ ในยี่สิบอาทีอันนี้มันมันก็จะเป็นนิสัยที่ว่าสะสมไว้ถึงตอนแรกมันยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ื่อมันสะสมสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะรู้เองเข้าใจเองแต่เราต้องให้อยู่ในหลักให้อยู่ในหลัก <c oughs> ของวสีตั้งห้า 5, ในกรรมฐานต่อไปเราจะให้จิตตั้งมั่นหรือให้เป็นสมาธิ เราก็จะน้อมจิตมาที่ลมหายใจแต่ความจริงกรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นท่านแสดงไว้มากมาย40สอย่างในปฏิปัสสันประธานสูตรก็อีกมากมายกรรมฐานมากมายแต่กรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติถ้าขาดสติก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นสติประธานหรือว่าไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้า เพราะว่ากรรมฐานอย่อื่นพรธเจ้าก็ทำมาหมดแล้วชานสมาบัติก็ทำมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ตัดสรูตอนหลังมาทำกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียว <c oughs> ก็ได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้านี่กรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติอามาก็จะบอกแบบอนาปานาสติหรือว่ากำนหนดลมหายใจแต่นี้เราก็เอาเอาหลักที่มีสติอันนี้ ย่างเดียวไปกำหนดได้ทั้งหมด <c oughs> ทั่วกายเรากำหนดได้ทั้งหมดหรือความรู้สึกเวทนาเราก็กำหนดเป็นกรรมฐานได้อารมณ์เราง่วงฟุงซ่านลำคาญก็กำหนดได้หมดหรือในไอหนีวนหกรรมยาราคัพยาบาททีนมิทะตัวฟุงซ่านตัววิกิอิชายก็เป็นกรรมฐานได้หมดก็เป็นอารมณ์ธรรมก็เป็นกรรมฐานได้หมด ก็หลังที่มีสติเข้าไปนี่เราจะให้ตอนนี้เราจะจะกําหนดที่ลมหายใจเราก็น้อนวามรู้สึกมาที่ลมหายใจของเราที่กระทบที่โพงจมูกหรือ ว, ว่าที่สองช่องจมูกที่มันกระทบลมที่ผ่านเข้าผ่านออกวัฒนความรู้ให้รู้ชัดเนี่ยรู้ชัดให้มีสติรู้ให้ชัด ก็มีตัวผู้รู้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราแล้วก็มีตัวรู้กับรู้ไปรู้เฉยเฉก็ไม่เป็นกรรมฐานแล้วก็ต้องมีความรู้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็ให้มีสติลมผ่านเข้าผ่านออกนะลมเข้ากับลมออกแล้วก็ให้มีสติแยกกันให้ได้ว่าลมเข้ากับลมออกเนะี่ยมันเป็นคนละอันกัน แล้วให้รู้ให้ชัดว่ามันเป็นคนละอันกันลมเริ่มเข้าก็ต้นลมเข้าแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดเข้าไปสุดๆลมเข้าแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดแต่สติเอาไว้ที่สองช่องจมูกว่าเฉพาะที่โพรงจมูกที่มันความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกที่มันก็ทบลมจะเปลี่ยนมาออกเราก็รู้ให้ชัดว่าต้นลมออกออกไปสุดๆลมออกเราก็รู้ให้ชัดแต่สติเราไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปใน ตนลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าตนลมออกกลางลมออกสุดลมออกเราก็มีสติรู้ให้ชัดลมเข้าเราก็นึกพูดลมออกเราก็นึกถทนเราก็คู่คู่กกับกับลมเข้าเราไปด้วยเพราะหน้ากากับไว้แล้วเราก็จะนับจะนับเป็นคู่ ค, คู่หนึ่งขึ้นไปถึงห้า กลับมาหนึ่งขึ้นไปถึง6กลับมาหนึ่งขึ้นไปถึง7กลับมาหนึ่งขึ้นไปถึง8กลับมาหนึ่งขึ้นไปถึง9กลับไป1ขึ้นไปถึง10เราก็จะนับเป็นคู่คู่เราก็จะนับจนกรรมฐานปรากฏหรือว่าเราไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ถือว่ากรรมฐานปรากฏนี่ในการนับเราก็จะนับเป็นคู่คู่แล้วเผอเราก็ตั้งต้นใหม่เผลอเราก็ตั้งต้นใหม่จนไม่เผอไม่ลืมก็ถือว่ากรรมฐานปรากฏ ในการนับก็คือลมเข้าพูดลมออกโท1หนึ่งลมเข้าพูดลมออกโท2สองลมเข้าพูดลมออกโท3สาม ลมเข้าพูทลมออกโทสี่ลมเข้าพูทลมออกโทห้าลมเข้าพูลมออกโทหนึ่งลมเข้าพู ลมออกโทสองลมเข้าพูลมออกโทสามลมเข้าพูดลมออกโทสีลมเข้าพูลมออกโ ท, ออกทห้า ลมเข้าพูโลมออกพูหกแล้วกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบ <c oughs> แล้วก็นับจนกรรมฐานปรากฏหรือกว่าไม่หลงไม่ลืมในการนับเกาจะมีอุบายว่าอุบายไม่ให้น้อยจนเกินไป รืมากจนเกินไปถ้ามากไปจิตมันก็จะไม่ไยในกรรมฐานมันก็จะไฟเข้าไปในการนับไปถึงเวลามันก็จะไม่กรรมฐานนั้นก็จะไม่เกิดมากจนเกินไปความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับเวงวางความตึกก็จะเกิดขึ้นในใจว่าโอ้นอการนับของเรามื่อไหร่จะสิ้นสุดจิตมันก็จะแฝงไป มันก็จะฝัดไฟอยู่ในการนับมันก็จะแฝงไปกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏหรือน้อยไปต่ําจากค่าก็อย่าน้อยน้อยก็อย่าต่ําจาก5่าความรู้สึกมันก็จะมาคับแคบไปเหมือนกับโคที่ถูกขังอยู่ในคอกมันก็จะคับแคบไปกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏนี่ก็อย่าให้มากไปน้อยไป า ม, มากไปมันก็ความกับแค่จะเกิดขึ้นมากไปมันจะเกิดความเวิ้งว้างเกิดขึ้นจิตก็จะแฝงแล้วก็อยาให้มากไปให้น้อยไปแล้วก็ให้มีสติให้มีสติอยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกเปรียบอุปมาว่าเป็นอุปมาเหมือับเมืองใหญ่ที่มีกำแพงร้อมรอบในการที่เราตั้งกําหนดจิตนะ เหมือนกับเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมรอบ <c oughs> มีประตูเข้าออกประตูเดียวนายประตูก็เฝ้าอยู่เฉพาะที่ปากประตูคนผ่านเข้าผ่านออกก็จะเห็นหมดก็จะรู้หมดเห็นหมดก็จะรู้ชัดหมดนายประตูก็ไม่ต้องไปตามดูเหมือนกับเราไม่ต้องไปตามลม <c oughs> ถ้าคนเข้าไปถึงไหน ตามไปดูหรือออกไปถึงไหนตามไปดูมันก็จะหนักเนหน็ดเหนื่อยกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏนี้อยู่ที่ปางประตูมันก็จะรู้แจ้งหมดก็จะมีสติที่รู้แจ้งหมดลมที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็จะมีสติรู้แจ้งหมดการปฏิบัติมันก็ทำให้กรรมฐานนั้นปรากฏเกิดขึ้น มันลมหายใจแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะแต่มีตัวรู้ชัดเข้าไปจะเข้าออออยาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเราก็มีสติรู้ชัดเข้าไปก็เหมือนกับเปรเียบอุปมาอุปมาอุปมาไว้หรืออุปมาอุปมาเหมือนกับในช่างกึงหรือว่าโลกมือของในช่างกึงนะเมื่อชักสายเชือกกึงยาวก็รู้ชัดเนะ ชักสายเชื่อกึ่งสั้นก็รู้ชัดเนี่ยแล้วก็มีสติให้รู้ชัดแต่ปล่อยลมเราให้เป็นธรรมชาติไม่ป้องไม่ปรุงแต่งแต่มีตัวรู้ชัดเข้าไปมีสติเข้าไปเราก็ต้องเอาตัวนับเข้าไปกํากับเนี่ยถึงจะเอาเอาใจของเราอยู่เราก็จะเป็นกรรมฐานที่มีสติเพราะว่ากรรมฐานที่ ขาสติหรือไม่มีสติมันก็ไม่ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าแม้แต่ฌานสมาบัตเนี่ยที่พระเจ้าท่านทํามาแล้วก็ยังไม่ได้จัตสรู้ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ผลทุกข์ก็ต้องทำมามาทำกรรมฐานที่มีสติเนี่ยเริ่มต้นแล้วต้องทําให้มีสติเสียก่อนถึงยังไม่เข้าใจอะไระ ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราทำพื้นฐานเอาไว้พื้นฐานของเราให้มันมั่นคงหรือว่าให้แข็งแรงเมื่อเราขึ้นแล้วมันก็จะไม่โอนเองไม่โยกไม่โคง้งมันกจ็จะไม่ถึงจุดหมายเหมือนเราต้องการลูกมะพราะ้าวต้อเราขึ้นที่ต้นได้มันก็ต้องถึงยอดได้ลูกมะพราะ้าวแต่เราไม่ขึ้นที่คนต้น มันก็ไม่ได้ถึงเราจะเพ้อจะฝันจะคิดจะกะจะเดาจะคาดคะเนเอามันก็ไม่ได้เพราะเราขึ้นต้นไม่ถูกนี่เราขึ้นต้นให้ถูกแล้วมันก็ไม่ไปไหนถึงยังไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขึ้นต้นถูกแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองเข้าใจของเราเองก็การปฏิบัตินั้นเราต้องเข้าใจแล้วทาเริ่มต้นเอาไว้ให้ถูกเริ่มต้นเราต้องทาให้มีสติ ถ้าขาสติมันก็เรว่ามันก็มันก็ผิดผิดตั้งแต่เริ่มต้นนี่เริ่มต้นเราก็ต้องทําให้มีสติของเราเอาไว้แต่เริ่มต้นมันก็จะยากลําบากนะกรรมฐานพระเจามยากลําบากเพราะการทาให้มีมสตินั้นมันจะยากลําบากพอเราทำกรรมฐานอย่างอื่นพอให้เคลิบเคลิ้มเพินเพลินมันง่ายฝว่าอันนั้นแต่มันเป็นความหลงผิดมันก็จะเป็นวิชาทิฏฐิไป พยายามเป็นกรรมไปวิบากกรรมไปไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไม่ออกจากกรรมแม้แม้แต่ฌานสมา บ, บัติมันก็ยังไม่ <c oughs> ไม่ออกจากกรรมได้ไม่พึงวิบากนี่เริ่มต้นมันก็จะยากลาบากทำกรรมฐานที่มีสติพระเจ้าต้องตัดว่าต้องอาศัยเดนเห็นหนปัญญานะ ต้องเป็นแดงแห่งปัญญาเท่านั้นคนที่จะเข้าใจคนที่จะทำได้ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะทำได้พะคนทั่วไป <c oughs> ไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจก็จะทำไม่ได้ทำกรรมฐานที่มีสติไม่ได้เพราะเริ่มต้นมันมันยากลาบากเราต้องมาเห็นใจเขาเรามากมาย ใจขอเราเศร้ามองคุณมัวขี้กิธจการลำการฟุงรร้งซ่านกิเลสตัณหาการมราลาขับพยาบาททีนามิท่าตัวฟุ้งซ่านตัววิกิอิชามากมายที่มันเกิดขึ้นล่นตึงเริ่มต้นมั่จริงยากลำบ <c oughs> ากต้องอาศัยเดนแห่งปัญญาแต่ถ้าเราไม่เห็นใจของเราไม่เห็นกิเลสของเราเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ เราปฏิบัติเราก็ต้องให้เห็นใจของเราหรือว่าอารมณ์กิเลสมันเกิดเราจะเอาใช้สมาธิไปดับหรือว่านิโรธตัวดับกาดับด้วย <c oughs> นิโรธถึงมันจะดับอารมณ์ดับความทุกข์ดับความฟุงฟ้งซ่านได้แต่มันก็ยังไม่เป็นอายามมาัย <c oughs> อมรักเพราะเรายังไม่รู้จักไม่รู้จัก ใจของเราไม่รู้จักจิตของเรามันก็อาจะดับไปเฉยๆแต่เรารู้จักอารมณ์ด้วยมันจะมันก็จะได้เป็นอิยอมมักรู้จักใจของเราด้วยมันก็จะเป็นอิยอมมักไปเป็นความพ้นทุกข์ไปนี่เริ่มต้นแล้วก็ที่ทำให้มสติเราก็จะได้เห็นใจของเราเห็นอารมณ์ของเราแต่เริ่มต้นมันยากลําบากมันก็ยาขมมันมีแต่ขม ขมแล้วคมอีกไม่คมธรรมดาคนทั่วไปก็ไม่มีใครที่จะคิดถึงไม่มีใครอยากจะแตะอยากจะลิ้มอยากจะรองเพราะว่ามันคมต้องอาศัยคนปีนปัญญาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าของคมมันเป็นยาเมื่อกินแล้วทุกมันหายโรคมันหายโกมันหา ย, หายบาปและอากศสมันหมดไปแต่ของหวานมันไม่หาย ของหวานนั้นมีแต่ทุกข์คนมีปัญญายก็รู้ว่าของหวานมีแต่ทุกข์กินแล้วหลงเข้าไปสัตว์โลกน้าย่อมนองไปด้วยน้ำตาว่าหลงในของหวานแต่มันเจอไปด้วยยาพิษเหมือนกับน้ำผึ้งใช่ไหเจอไปด้วยยาพิษที่ป้ายไว้ที่ใบมิตรโกน บูลุดที่ไม่รู้ที่จะหลงในของหวานก็จะแลบลินเป็นปเหลียเลียนำพึ่งแต่เจียวด้วยยาพิษเมื่อแลบไปถูกไม้มิดโกนมันก็จะบาดทุกก็จะเกิดขึ้นหน้าก็จะนองไปด้วยน้ำตาก็มีตับฟามทุกอัแสนสาหัส ตัวคนที่มีปัญญาเท่นั้นที่จะรู้ว่าอันนั้นมันเป็นกองทุกข์กิเลสตัณหาก็อาจจะกามาคะหรือว่าฟวามรักก็ได้มันหลงเข้าไปแล้วยากที่จะถอดถอนแต่คนมีปัญญารู้ว่อันนั้น <c oughs> มันเจือไปด้วยยาพิษมันเป็นความทุกข์ก็ไม่หลงไปแต่สิ่งที่ขมขมอย่างกินมารักษาศีลก็ขมขมแสนขม ไม่มีหวานเพราะมันต้องมาสู้กับกิเลสของเราศีลมันตัวสู้กับกิเลสของเราเลือใจของเราการมาบวชมันก็ขมเซนคมไม่มีหวานแต่คนมีปัญญาก็รู้ว่าถึงมันจะขมมันเป็นยากิกนแล้วทุกมันหายโรคมันหายโศกมันหา ย, หายบาปและอกุศลมันหมดไป กรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมันก็ขมแสนขมยากแสนยากเริ่มต้นมันยากแสนยากมันขมแสนขมแต่คนมีปัญญาก็ทําได้อย่างพวกเราทําในสิ่งที่ยากมาในการมารักษาสินในการบวชมันก็ยากยากแสนยากแล้วก็เหลือกรรมฐานที่มีสติมันยากยังไงเราก็ต้องทําให้ได้ถ้าให้มีสติ เพราะว่าเราทำใมีสติและจิตของเราจะย่างไปสู่อิยมักได้ก็จะสู่ฟ้องผลทุกได้แต่เราทำกรรมฐานที่ไม่มีสติมันก็จิตไม่ไปสู่อิยมักถึงจะเป็นฌานสมาบัติมันก็ยังไม่ไปสู่อิยมักไม่สู่สมาธิถึงว่าอาศัยสมาธิดับเวทนาได้ทุกได้ไปวันนิโรธไปตัวดับ ก็จริงแต่มันจิตมันก็ยังไม่ไปสู่อิ่มมักไม่ถึงความดับทุกข์แต่จิตไปสู่อิ่มมักนั้นเราต้องไปรู้จักตัวทุกข์ด้วยอย่างอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิด <c oughs> เราต้องกําหนดหลุ ด, ด้วยรู้จัก น, นี่คือความฟุ้งซ่านแต่พูดมาเหมือนก็เข้าใจได้ยากแต่ไม่กเ็เข้าใจได้ยากแต่เราปฏิบัติไป <c oughs> เราปฏิบัติเราเลื่อยไปไปถึงขั้นของมันมันก็จะเข้าใจเองแต่นี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถึงไม่เข้าใจไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันมันก็เป็นสิ่งที่ยากมันเหมือนกับเส้นผมที่บังภูเขาอยู่มันเลยยากเริ่มต้นมันยากเข้าใจได้ยากแต่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะเข้าใจเพราะเราไม่รู้จักใจของเรามันก็ยังไม่ไม่ผลทุกข์ก็เหมือนกับ พระอนุรุทธะพระอนุรุทธะท่านกรรมรรมกรรมฐานเนี่ยจนได้จกักสุทิพเห็นสัตว์สัตว์ที่เกิดในพันโลกได้สัตว์ที่ไปเกิดในพันโลกท่านเห็นโดยจักขูท่านได้ทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานถึงชถึงถึงฌานก็ก็ดับทุกได้ดับเวทนาได้ก็ดับได้หมด แต่ก็ยังไม่ได้ผนทุกก็เวลาส น, สนทนธนากับภาษารีบุญวาก็ผมเนี่ยสามารถทำสามสาทากรรมฐานนะ่ะจนสำเร็จจากขุทิบเห็น <c oughs> <c oughs> สัตว์ที่เกิดในพันโลกสัตว์ในพันโลกหมายถึงว่าโลกที่แบบเราพันโลกนะครัแบบโลกแบบเรามีโลก มีนรกสวรรค์มันกันมีพระจันทร์พระอาทิตย์มีชมพลทวีทั้งสี่เนี่ยพันโลกพันโลกหมายความว่าเป็นจักรวาลหนึ่งจะเป็นจักรวาลขนาดเล็กเนี่ยมีโลกหนึ่งพั น, นมีโลกเหมือนเราเนี่ยมันหนึ่งพันถ้าจักรวาลขนาดกลางก็มีแสนโลกมีโลกแบบเราใแสนโลกถ้าจักรวาลขนาดใหญ่ก็มีหนึ่งโกดหรือว่าสิบล้านโลก นี่พระนุลท้าก็มองเห็นสัตว์ที่เกิดในในพันโลกได้เวลาสนทนากรับรภาษารีบบิบุตพระก็ผมทํากรรมฐาน จ, จนได้จักขุทิพตเห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกแต่ทําไมถึง <c oughs> ไม่สําเร็จทักทีทําไมไม่พ้นทุกทักทีท่า น, น, นทั้งท่านที่ทางที่ว่าท่านก็รู้ว่าท่านยังไม่หมดกิเลสแล้วไม่พ้นทุก ถึงจะมีกรรมฐานที่มีจักขุทิปก็ตามแต่ตัวท่านเองก็รู้แต่มาสนธนาภาษาลิบุตรก็เลยถามนะพสนธนาก็เลยถามว่ากระผมทําไมถึงไม่สําเร็จสักทีหรือว่าพ้นทุกสักทีภาษาลิบุตรก็บอกว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จสักทีนั่นคือความฟาุ้งซ่านทําไมไม่สําเร็จทั้งทีก็คือความลาคาญก็ให้รู้จัก ความฟุงฟ้งซ่านอันนั้นด้วยความลำคานอันนั้นด้วยพอบอกเท่านี้พระอนุลทะก็สําเร็จพระอาหันตไปนี่เราทำกรรมฐานเราก็ต้องจะต้องเห็นเห็นอารมณ์ของเรานี่เริ่มต้นก็อาจยังไม่เข้าใจาไม่เข้าใจแต่เมื่อเราถึงรอบนะเหมือนกับพระอนุลทะก็ปฏิบัติไปจนถึงรอบใ <c oughs> ดที่แกกล้า เมื่อเข้าใจนิดเดียวก็สำเร็จไปได้นี่เราก็ต้องอยราทำให้มีสติแต่ว่าเราก็ต้องใส่ความอดทนเพราะว่ามันคมแสนคมนะนั่งก็เจ็บเวทนาเกิดนี่มันเกิดมันไม่ดับไม่ดับก็ต้องเอาใส่กรรมฐานเข้าไป เจ็บเนาะเรียว่าเจ็บเนาเจ็บเนาเจ็บเนาก็ไปก็ได้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนาก็อยู่ในกรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานกําหนดอย่างเดียวเป็นกรรมฐานเจ็บล mm ้วกําหนดก็เป็นกรรมฐานนีเจ็บหนอเจ็บหนอะแล้กรรมฐานเรายังไม่แก่กล้ามันก็ยังไม่ดับเวทนามันไม่ดับก็ใส่เราก็ใส่องค์ภนาเข้าไปอาศัยกรรมฐานเข้าไปกําหนดให้มันดับ แลาก็ทำจิตว่างๆเฉยๆก็เปกองเวทนาที่เกิดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอไปแล้วกระหนดไปกระหนดไปนานเข <réussi, S 2> ้านานเข้าเวทนามันก็จะดับที่เวทนาดับมันก็อยู่อีคว่าขึ้นมันก็ข้ามไปปิติมันก็จะเกิดขึ้นปิติมันก็จะเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มีเวทนาเกิดเรากำหนดไปด้วยกรรมฐานดับไป ม, มันดับไปเฉยๆด้วยกรรมฐานแต่เราจะให้จิตเข้าไปสู่อิยัมอิยัมมรึกหรือว่าอิยมัมมรกความหลุดพ้นส่วนดับปฏิมรึกเราต้องรู้จักวรู้จักตัวเวทนาเวลาอาจจะ ก, กำหนดสมาธิดับแต่เรายังไม่รู้จักมันก็ดับไปเฉยๆนี้ถ้าเรากำหนดความรู้จักเข้าไป พอรู้จักมันก็จะจิตก็จะไปสุยมักได้เหมือนกับฟังฟงสั้นรู้จักว่าฟังฟงสั้นเนี่ยอย่างฟงสั้นเกิดเรากําหนดเราฟุ ง, ฟงสั้นหนอฟุงสั้นหนอก็เป็นกรรมฐานแต่ว่าเรารู้จักด้วยจิตก็ย่อยสุยมักด้วยแต่เริ่มต้นมันก็เป็นฟังได้ยาก <c oughs> มือนกับฟังยากเข้าใจยากมันเหมือับเส้นผมที่บังภูเขาอยู่ การประทานเราไม่เป็นกรรมฐานที่มีสติมามันก็จะไม่มีพื้นฐานขึ้นมามันก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่รู้ถึงกําหนดยังไงมันก็ยังไม่รู้เพราะกรรมฐานมันไม่มีพื้นฐานไม่มีกรรมฐานที่มีสติหลับฟังก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่ามันไม่ไปจิตมันก็ไม่ยากเข้าไปแม้กระทั่ อนุรุธานี่เราก็ต้องทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาเสียก่อนทำพื้นฐานขึ้นมาี่เราทำกรรมฐานที่มีสติมาเราก็จะ รู้จักนรู้จักใจของเรารู้จักอารมณ์ของเราจิตไม่ได้ย่างเอาไปสูอยยามักได้เวลากรรมฐานที่ไม่มีสติมันก็ไปไม่ได้เมื่อยังชานสมา บ, บัติที่พเจ้าท่านปฏิบัติมา ก, ก่อนจิตก็ยังไม่ได้ยางเอาไปสยยามักเลยยาก็สู่าสฟามตัศรุ ในเริ่มต้นมันก็ต้องยากลำบากเราต้องอดทนนะครับมันไม่มีหวานมีแต่ขมขมแล้วขมอีกพระเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานต้องยอมตายพระเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหี่ยแห้งไป เหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตาบใดยังไม่มรุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้โดยความเพียรของบรุษุด้วยกำลังของบรรลุดโดยความบานบั่นของบรรุษตาบนั้นก็จะไม่รู้จากที่ก็ต้องใช้สัจธฐานเหมือนกันต้องยอมสละตาย ความสงบนั้นอยู่อีกวากของความตายความสงบไม่เกิดนิวรณ์ห้ามันก็จะไม่ดับก็ต้องให้ความสงบนั้นเกิดเพื่อจะปูพื้นฐานขึ้นมาปูพื้นฐานขึ้นมาให้ปัญญาสัมพุทธชงมันเกิดเนี่ปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติแลวก็ ปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติมันก็จะเป็นตัวที่เข้ามารู้แจ้งอีกทีนี่กรรมฐานมันยังไม่ไม่มีสติมันก็ปัญญาที่มีที่ที่มีสติหรือปัญญาสามพจนชงมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราก็ทำให้มีสติไว้เริ่มต้นเราก็ไม่ต้องไม่รู้อะไรมันมาก ไม่ต้องไปรู้เราก็ทำให้มีสติไม่ต้องไปรู้จักว่ามีโลดเป็นตัวดับทุกข์อะไรเราก็ไม่ต้องไปรู้จักมันรู้จักยังรู้มากก็ได้วุ่นวายมากดับได้เป็ น, นมาร์กเป็นอะไรล้วก็ไม่ต้องมารู้จักเพียงเราทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาพอถึงรอบมันถึงจะได้ ถ้าไม่ได้รอบมันก็มันไปไม่ถึงมันฟอมเร็วมันไม่ได้ไม่ได้รอบไม่กระชากฝรัร่งผัดไฟไว้มันไม่ไม่เต็มที่มันก็เปิดไฟไม่ติดถึงเราจะนึกเอาด่เอากะเอาคาดกรเนื้เอาดาวเอามันก็เพอเพอฝนฝั น, นลมลมแรงแรงไปมันก็ยัง เข้าใจไม่ได้ไม่อาจจะเข้าใจไใด้คันหนึ่งว่าปัญญาจะเกิดจากการฟังสุสปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟัง <c oughs> ก็เกิดปัญญาได้คันหนึ่งหรือจินตปัญญาปัญญาในการจินตนาการเราจินตนาการไปมันก็เข้าใจได้คันหนึ่งแต่ปัญญาที่ผ่านจากการภาวนาเนี่ย เปัญญาที่ปัญญาที่จะถึงขั้นผลทุกข์นะขั้นตัศโรหรือจิตญาพิสุ ย, ยมมรรคมันก็ต้องให้กรรมฐานแล้วต้องให้ได้รอบให้เป็นกรรมฐานที่มีสติมา่ถึงจะได้เมื่อถึงจะผ่านไปได้ถ้าขาสติยังไงมันก็ไม่ได้อย่างชานสมา บ, บัติมันก็ยังไม่ได้แลยัง คนเมื่อก่อนเาก็คนฟ้าเหมือนกันเนยหนีทุกข์กันเนี่ยทุกข์ก่ากายมันทุกข์เขาก็คนฟ้าว่าวรู้รว่ากายมันทุกข์น่ะกายต้งเกิดต้งแ ก, ตงก่ต้องเจ็บต้องตายก็เป็นทุกข์ว่าใจคิดมากมายกิเลสตัณหาที่เกิดจากใจเขาเาก็เาก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ายอมคนฟ้ากันเนีบางพวกก็ทํเท่าไห่ ทรมานกายเพื่อจะให้หมดให้พ้นทุกข์ให้ทุกข์มันหมดนี่ย่างไฟบ้างเพื่อให้ทุกข์มันเหิแห้งไปหมดไปอื่นพวกกระทำฌานเพื่อหนอีทุกข์เพื่อให้ทุกข์มันดับทาจิตให้ว่างเหมือนอากาศนะว่าอากาสานันจาอยตนะสมาบัติเพื่อหนอีทุกข์ระุจ้าก็ทาได้แต่ไม่ได้พลนทุกข์ ไม่ได้ตัดสรู้หรือมันพัวกระทุกทางใจก็นั่งจนใจดับวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินพระพุทธเจ้าก็ทําได้ก็ไม่ได้ตัดสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกหรือว่าทุกทางกายก็นั่งจนกายดับไปอาจินจานัญจายตนะสมาบัตินพระพุทเจ้าก็ทําได้ก็ไม่ได้ตัดสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุก หรอพวกก็ทุกทางสัญญาความจาได้ไม่รู้ก็นั่งนั่งจนสัญญาดับเนวะนายสัญญาสมบัติพระพุทธเจ้าก็ทําได้ก็ไม่ได้ตัสรุก็ไม่ได้ผลทุกตอนหลังก็มาทํากรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสติแล้วเป็นพื้นฐานพระองค์ท่านก็ทำเพียงคืนเดียวก็ได้ตัศรุ ก็ในพ้นทุกข์ประการฐานที่มีสติก็ทําให้เกิดตัวปัญญาตัวปัญญาที่มารู้จักขันห้าขันห้าของเรานักปฏิบัติก็ต้องรู้จักขันห้าเพราะไม่ตัวท้่ทำให้พ้นทุกข์นะหรือว่านิกายนิใจก็ต้องรู้จักขันห้าก็มีกายมีใจ กายเจสี่กายเส้นหนึ่งใจเจสี่เราต้องรู้จักนักปฏิบัติต้องรู้จักกายรู้จักใจกายภายนอกกายภายในต้องรู้จักเฮ้ยว่าอายุธนะภายนอกภายในสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นกันทางกายทั้งใจก็ต้องรู้จั ก, กที่ททททททททรพระเจ้าก็มา พิจารณาตัวสังขารตัวสังขารก็อยู่ในขันห้าอยู่ในในในใจคือในนามโลภก็กายนามก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่รู้จักตัวสังขารเนี่ยมาก่อนกรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่รู้จักไม่รู้จักตัวสังขารตัวสังขารก็คือตัวความคิดเนใจของเราตัวความคิด ความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆใจกรรมฐานอย่างอื่นไม่รู้จักฌานสามเณรก็ยัง e <yeter? S 1> ไม่รู้จักความคิดได้ไม่รู้จักจใจได้ถึงนั่งดับไปได้นั่งจิตว่างไม่ว่อากาศ ก, าก็ทําได้นั่งจนใจดับไปก็ทําได้นั่งจนายดับก็ได้นั่งจนสัญญาดับก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้จักตัวสังขารไม่รู้จักใจเราไม่รู้จักความคิดแต่กรรมฐานที่มีสติ เพียงคืนเดียวเจ้าพระพุทธเจ้ก็ไม่รู้จักตัวสังขารไม่รู้จักความคิดเนี่ยก็เมก่อรรมฐานยาอย่างอื่นไม่รู้จักเพราะว่ากรรมฐานอื่นมันไม่มีวิชาไม่มีวิชาก็ตัวอวิชาก็เป็นอวิชาก็ทําให้ไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักใจนี่พอกรรมฐานที่มีสติมีวิชามีกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาก็ มารู in um, kan, die die imes, ้จักอวิชชาได้อวิชชาก็รู้จักตัวความคิดตัวสังขารได้เพราะว่ามีวิชาแล้วมีกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชามารู้จักความคิดมารู้จักตัวสังขารทั้นั้เลยพระองค์ก็เลยพิจารณาเพราะว่าอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดสังขารสังขารทาให้เกิดวิญญาณตัวตัวรู้วิญญาณคืตัวรู้วิญญาณเกิด กายกับใจมีกายมีใจขึ้นกายกับใจทำให้เกิดตัวสา ย, สายลายยนตนะผัสสะตัวผัสสะตัวผัสสะทำใหเกิดเวทนาขึ้นเวทนาทําให้เกิดตัณหาตัณหาความทะยาากตัณหาทําให้เกิดอุบาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ทําให้เกิดภพ ขึ้นเป็นชาติขึ้นชราเกิดเป็นชาติก็เกิดความชราขึ้นเพืมรณะโสตทุกขโทโทมรณะสุปายาสาพระองค์ท่านก็พิจารณาเมือพิจารณาเดินหน้าแล้วก็เรียว่โอรมปติลมถอยหลังตั้งแต่มรณะถอยหลังก็พิจารณาแต่มรณะถอยหลังกลับมาจนถึงอวิชชา พระองค์ท่านจะได้ตัดสรุรเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกพ้นทุกและตัดสุรุเป็นพระพุทธเจ้าก็กรรมฐานที่มีสติต้องอาศัยกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานอย่างอื่นก็จะไม่รู้จักไม่รู้จักความคิดของเราเหมือนอย่างพระอนุรุธาถึงจะทํากรรมฐานจนได้ฌานสมบัติมัมีจักขุทิป ก็ยังไม่รู้จักตัวสังขารได้ความคิดได้นี่เราก็ต้องทำกรรมฐานให้ให้เกิดถึงมันจะยากลาบากยังไง <c oughs> ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำเอาไว้ทาให้มีสติเอาไว้ก็ทำให้มีสติได้สักช้างกติขูงูแลบลิ้นมันก็ <c oughs> ว่า หาค่าประมาณไม่ได้ว่าเท่าไร่าค่าประมาณไม่ได้การจิตของเราจะยากสู่ยมักได้ขนทางียมักก็จะเกิดขึ้นและขนทางนี้ก็จะไม่หายไปจากใจของเราแต่เกิดสักครั้งเนี่ยให้รู้จักใจอเราสักครั้งหนึ่งมันจะไม่เลือนไปจากใจจิตของเราจะยากสู่ขนทางียมักเมลโสดาปฏิมักเนี่ย นทางนี้นจะไม่เลื่อนไปจากใจแล้วก็มีทางนี้ด้วยทางที่มีสติทำให้มีสตินะเป็นทางเดียวด้วยไม่มีทางอื่นอีกทำอย่างอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าตับว่ามีทางเดียวมีคนทางเดียวไม่มีทางอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้ว ก็ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระปัเจกัพโธทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตัสรู้เป็นพระปเจกัพโธแม้แต่พระอายสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้พ้นทุกข์กันก็มีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเจ้ามีทางสายเดียวไปในที่แห่งเดียว คือพันิพานไม่มีทางอื่นอีกจะหทางอื่นไม่มีหาในที่อื่นไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้ามาตรสรูเท่านั้นถ้าไม่มีพระเจ้ามาตรสรูแล้วก็ <c oughs> ไม่มีวิถทางไม่มีนี่คือทางที่จะพ้นทุกข์นี่ก็มีพระเจ้าอะไรพรเจ้าต่าว่ามีทางเดียวด้วยไปในที่แห่งเดียวเป็นหนทางที่ว่าจะก้าร่วง ซึ่งความโศกและความรำไรเป็นหนทางอักษดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมันัตเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออัยมักเป็นหนทางที่จะทำพันิพานให้แจ้งมีทางนี้เท่านั้นมีทางเดียวไปในที่แห่งเดียวเมื่อเราทำให้มีสติเราก็จะ ลงเข้ามาสู่คนทางนี้แล้วคนทางนี้มันก็จะไม่เลือนไปจากใจทางทิษมีสติสักครั้งหนึ่งมันจะไม่เลือนไปจากใจก็จะไปในที่แห่งเดียว <_ d ream> คือภาณีพา น, น, านเมื่อมาสู่คนทางนี้แล้วมันไม่ไม่ไปไหนเพระาะคนทางนี้มันไม่ไ ม, มีแยกไม่มีเลี้ยวไม่มีคดมีทางเดียวไปในที่แห่งเดียว เมื่อลงไปสู่ทางนี้แล้วก็ไม่มีว่าจะถอยกลับแล้วก็จะไม่มีว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวพอเขาเปรียบว่าเปรียบว่าเหมือนข้างหน้ามือนกับเมืองแก้วอันล้วนแล้วคือพ่านอีผ่านก็เปรียบอุปมาใหม่อุปมาใหม่อุ ป, ปมาว่าเหมือนกับเมืองแก้วเมื่อสัตว์ก้าวเข้ามาสู่คนทางนี้แล้วก็จะไม่หวนกลับพอหวนกลับ ข้างหลังมันก็เหมือนกับก็มนเาเปรียวว่าโลกนะเหมือนกับฐานเพิงที่ลุกเล่าร้อนมันก็กองทางเพิงเมื่อเราเก้าวออกมาหันกลับไปมัก็กองฐานเพิงอยู่ข้างหลังข้างหน้านนคือเมืองแก้วเปรีปลี่ยามาเหมือนกับเมืองแก้วอันล้วนแล้วคือพันธ์อพา น, านเมื่อสัตว์โลกก้าวมาสู่วนทางนี้ก็จะไม่มีย้อนกลับ ก็จะไม่มีรถเดียวไม่เคี้ยวไม่คดไปทางนองไปทางไหนเมื่อสู่หนทางนี้แล้วย่อมพนมือแห่งว่าแห่งพญา ม, มารนะเงื้อมือแห่งพญา ม, มารเมื่อเดินหนทางนี้พญา ม, มารมักค้ำควรพญา ม, มารมักเดินหลงเสมอ ถึงจะตามเราก็ตามมาไม่ได้พญามารก็จะหลงหลงไม่สามารถจะตามคผลมาคนทางนี้ได้เมื่อก้าวมาสู่คนทางนี้เราก็จะพ้นเหงือ่อเมือแห่งพญามารมันก็ตามไม่ได้ตามมาก็จะหลงไม่สามารถที่ว่าจะมาคนทางนี้ได้เมื่อเราเดินสู่คนทางนี้แล้วพญามารมักข่ำควร กิเลสมันจะคขำควรกิเลสมันก็จะขำควรไม่สามารถที่จะตามมาได้ตามมาสู่นทางนี้ได้นี่เราทําให้มีสติเราก็จะมาสู่นทางนี้ได้เริ่มต้นมันก็จะไปด้วยความยากลําบากเพราะามันคมแสนคมแต่ว่าข้างปลายข้างปลายมันโลก โลกมันหายทุกข์มันหายโสมันหายบาปและอสนมันจะหมดไปแต่เริ่มต้นก็ต้องยากลําบากเพราะว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ต้องเป็นแดนแห่งปัญญา <c oughs> เพราะามันขมแสนขมมันยากแสนยากลําบากแสนลําบาก แต่ถ้ า, าทําได้ก็เหมือนว่าเหมือนกับแก้วหาค่าไม่ได้เหมือนกับแก้วอวิเศษเดี๋ยหาค่าไม่ได้ <c oughs> เหมือนกับพระขันเพชรเนี่ยกำไมทานที่มีสันติก็เหมือนกับพระขันเพชเททรพพชที่จะไปไปหานกิเลสของเราให้หมดไปขัดสบสนไปพอไม่มีพระขันเพชรเราก็เอาไปต่อโซกับกิเลสของเราไม่ได้ ต่อสู้กับใจก็เราไม่ได้เพราะกิเลนั้นมันก็แยบยนมันมีอุบายที่แยบยนมันก็อาศัยใจของเราเหมือนกับบ้านของมันอยย่มันมานานถึงเราจะทบจะเทียงจะต่อตจะจะรองอะไรมันก็ไม่เป็นผลสู้มันไม่ได้ถึงจะทบจะเทียงเท่าไหร่ก็สู้กิเลสสู้ใจของเราไม่ได้ มันก็มีเหตุมีผลของมันแล้วมันก็กิเลสมันก็ช่างพูดช่างเจรจาเราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะไปทกไปเทียงกับกิเลสกับใจของเราเราต้องมีพระขันเพชรขึ้นมาคือกรรมฐานที่มีสติถึงจะเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสก็อรอดได้ ใจของเราได้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสของเราได้ <c oughs> สู้กับใจของเราได้เพราะกิเลสมันมันแยบยล น, นี่เราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไม่รู้จักอารมณ์ของเราไม่รู้จักใจของเรามันก็ละ ใจของเราไม่ได้ like ละกิเลสเราก็ทำกรรมฐานให้เกิดทำกรรมฐานที่มีสติให้เกิดตั้งให้มีสติทําให้ได้มันยากถึงมันยากก็ต้องทำให้ได้จะรู้จักใจของเรามันเจ็บก็เจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานเนเจ็บหนอก็เป็นกรรมฐาน ฟงสั้นนอก็เป็นกรรมฐานแล้วกําหนดไปสมาธิยังไม่แก่ก็มันก็ไม่สามารถจะดับมันได้กําหนดจิตไปมันก็ยังไม่ดับหรือคนที่มีสมาธิเก่เก่มันก็ไม่เกิดก็ต้องใส่กรรมฐานเข้าไปจิตว่างๆเข้าไปบางครั้งอาจจะน็ตเจ็บนอเจ็บนอเป็นพันครั้งหมื่นครั้งว่ามันจะดับเนีย ก็ต้องอาศัยเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องยอมสระตายฟุงซ่านก็ฟุงซ่านเนอฟุงซ่านเนอฟุงซ่านเนอต้องมีรูจ้จักง่วงก็ง่วงเนอง่วงเนอง่วงหน อ, หน อ, หนอเราก็ต้องรู้จักกําหนดไปจนว่ามันจะดับไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเราได้รู้จักใจว่ามีแต่ง่วงมีแต่ฟุงซ่านลาคาญไม่ได้อะไรเลยเราไม่ใช่อย่างนั้น รต้องรู้จักมันเรารู้จักก็ดีแล้วรู้จักใจของเราก็ดีแล้วอันนี้ก็จิตจะไปสู่ยังมักแล้วเราก็อย่าไปเสียใจว่าไม่ได้อะไรมันไม่ได้ปิติมันก็ไม่เป็นเลยมนคนก็แค่ปิติว่าได้แล้วนี่มันก็ยังไม่ใช่แต่มันก็เป็นเป็นไม่ใช่ของไม่ดีแต่เป็นของดีเพราะว่าผู้ที่ทำชาญก็เหมือนก็ มันจะไปได้ไวอมันก็ชมสวนนะฮะไปชมสวนมันก็เข้าไปชมเงี้ยก็จะไวไม่ติดไม่ติดในสวนไม่ติดในต้นไม้ดอกไม้ก้อนหินดอกหญ้าไม่ไปติดก็จะได้ไวแต่ทางปัญญาก็กเดินไปพิจารณาด้วยปัญญาก็กเดินไปมันก็จะจะช้ายากลําบากเหน็ดเหนืน่อยหนัก เหตุทำไปตีเกิดมันก็จะเป็นต่อฝ่ายแต่ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรารู้จักใจเรารู้จักเห็นกินเลสของเราใจของเราเหมือนกามลาคะแล้วก็กำหนดไปก็ได้มันไม่ดับมันเกิดเนี่ยก็นะกามลาค ะ, ะหนอกามราคะหนอเรากําหนดไปจิตว่างๆไปมันได้รอบเพรามันพอดีจิตว่างๆมันก็ดับ มันก็ดับมันก็ดับไปด้วยสมาธิมันก็ดับคจริงอารมณ์พวกนี้นก็อยู่อีกฝ่าขององค์ชานมีตัวสกัดเอาไว้สกัดองค์ชานของเราไว้ถ้าระดับมันก็ยังฟ้าบไปได้เกิดปิติได้แต่ว่าเรากําหนดดับมันก็ดับไปด้วยสมาธิมันก็ยังดับไปเฉยๆจิตมันก็ยังไม่แางไปเสียอมยังยังกษ เพราะวดับไปด้วยสมาธิเฉยๆแต่ถ้าเรารู้จัก่ยการมาลาคา้าเรารู้จักมันด้วยคือน้อารมณ์ทำไมคุยกันจะคุยกันดิคุยอะไรกันคุยอะไรกันคุยกันได้ไ นี่เราก็ต้องรู้จักการเวลาค่ะสมัคดับไปอย่างเวทนาเกิดแล้วกำหนดดับไปมันก็แค่ดับดับไปเฉยๆนี่ถ้าเรารู้จักเวทนาด้วยจิตวิจัยย่างเข้าไ้สุยมร์ปัญญามันก็จะเกิดแต่มันก็ต้องมีพื้นฐานในการพิจารณาร่างกายเอาไว้เมือที่เราพิจารณาไว้ก่อนเข้ามันก็จะเป็นพื้นฐานไปแต่เราไม่พิจารณามันก็ไม่รู้จัก อย่างการมาฆะการพิจารณาร่างกายก็เราไปอสุภะไม่สวยไม่งามแล้วก็พิจารณาไปไม่สวยไม่งามไม่สิ้นที่ไม่สะอาดเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเต้องรู้จักกายภายนอกกายภายในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไตน้อยไตใหญ่อานไม่อานเกลือทะเลน้ำเรือดน้ำเลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันคน้นน้ำตาน้ำไกลข้อเอยอะมันสมองในกระโหลกศรีรษะ ก็เลยจะเป็นที่ตั้งของกองทุกทั้งหมดนี่เราก็เราก็ต้องรู้จักนี่นมันได้รอบมาสติสมาธิปัญญาได้รอบตัวรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นอันนี้จิตถึงกะแ่างก็สุยมรมึกแต่มันดับไปด้วยองชานก็จะดับไปเฉยๆมันก็ยังไม่รู้จักแต่ก็มีพื้นฐานนะมันก็มีพื้นฐานเอาไว้ชาติพลังไว้ พอได้หลอกเข้ามมันก็จะรู้ไป เราทำแล้วก็ไม่ต้องให้มีสติอย่าไปสนใจอะไรท่านไม่ทันไม่ทัน ใ, นใจไม่รู้ไม่รู้จักใจไม่ทันใจหรอไง ก็ทำความรู้สึกรู้สึกใครจะเลิกก็ทำความรู้สึกใครสงบดีก็นั่งต่อไปเพราะว่าก็ยังมีพระมาแสดงธรรมต่อก็อยู่กันทั้งคืนก็เราก็ยังไม่ต้องออกก็ปฏิบัติเราเรื่อยไปส่วนที่จะออกแล้วก็ทำความรู้สึก รู้สึกกายรู้สึกใจของเรากายเราอยู่นั่งอยู่นี่เป็นพระเป็นท่าองค์พระไม่มนั่งอยู่ในท่าเดิมมหมเราทําฟังรู้สึกหเห็นกายของเราถ้ากายเราไม่ตรงเราต้องแก้ไขอ่กายไม่ตรงจิตก็ไม่ตรงเราต้องแก้ไขของเราถ้าไม่แก้ไขก็ไม่มีใครแก้ไขให้เ้าฟังาารู้สึกไหมเห็นใจของเราใจเรามีความรู้สึกอย่างไรอะ ความปิติความอบอิ่มความเบิกบานเรอเลืเลเล่มาเทิงใจยังไงแล้วพ่ะให้รู้จักใจของเราเอออยเปรียบทียบ ใ, ให้เห็นถึงความแตกต่างนะเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนคนมัวกวนกวาดยังไงก็ เ, รเปรียบดูให้เห็นจริ ง, งเราจะยั่งสู่พิปัสนาญาณได้มีมีอยมมัชหรือยั่งสูน โซนับปฏิมาคได้เว็นข้อตี่เราจะปฏิบัติต่อไปเราจะได้รู้จักใจเรารู้จักจิตแห่งจิตของเราเราทําฟ้ารู้สึกมาที่มือข้างเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาฝนมรู้สึกมาที่มือข้างฝาค่อยคเลื่อมาวางที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฝ้ามือเอาฟ้ารู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเรื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกัน เอความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียมพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกลับดอกโบตุลแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาความสุขให้ได้ความสุขพัฒนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิแตแผ่เมตตาแบ่งบุญบุญศนให้แก่บิดามารดาโูบะอาจารย์ปู่ย่าใจยาย ยาสนิทมิสหาหิตทั้งหลายทั้งหมาทั้งกาให้แกพ่พระอินทร์พระพรมพระยมพยาบาลให้กก่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ี่นาคุกคนทันเทพระอรักที่ปกป้องลักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบระมสัตว์ทุกอง์ทุกท่านหรือผู้ที่สระชีประชาติทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศา ส, ส, ส, สนายอยู่ก็ดีหรือสัรพัสที่มีวิญญาณคองเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ให้เพ่งจงทุกข์สันใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไป แล้วก็แผ่เมตตาให้มีมาทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบั ต, ติเลิกเราปรารถนาสิ่งหนึสิ่งใดแล้วก็อายทานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือเคลื่อนจบศีรษะออกจากสมาธิได้ แล้วก็เปลี่ยนอิยอมบทเปยนยบทแล้วก็เห็นเวทนาคายไปด้วยก็เป็นวัดสี่ทางห้าออกแล้วก็ตามรู้ตามดูอีกก็รู้จิตเห็นจิตกอเราไปอีกเวลาขยับแล้วก็เวทนามันเริ่มคายไปก็รู้จักว่าเวทนามันคายไปหรือคายไปทางใจปิติเกิดมันคายไปทุกเกิดแล้วมันคายไปแล้วก็รู้จักด้วยรู้จักว่ามันคายไปเราจะได้รู้จิตเห็นจิตกองจิตกอจะยาวสู้ มีปเสนอย่างได้มีความพนทุกข์ที่จะเราที่จะปฏิบัติต่อไปหรือว่าจิตก็จะสูยยมักเนี้ยมีความพ้นทุกข์สวดันปฏิมากว่าเรารู้เหมือนกับเรารู้จิตเห็นจิตของเรานี้ก็จะย่างสุงยสยมักได้เขาเรียกว่าหลักวสีนะหลักวสีทั้งห <c oughs> ้าเราก็ทิ้งไม่ได้ต่อไปเราจะแผ่เมตตา สัพเพสตาสทาทังรร้ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเก่เจบตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกกันแรกันเลย โรคกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเรย์ไปยาปบาดใจจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันแรกกันเลยอานิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อยาได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ยทั้งสิ้นนี้เถิด อตอนนี้ก็กายจะทำพราคิษส่วนตัวก็ับไปเพราะว่ายังมีพระมาะแสดงธรรมอีกก็อาจจะอยู่ทั้งคืนเนยกัรชิกเนยชิกก็คือไม่นอนการไม่หลับไม่หลับเนยกัชิกก็มันทุดดองข้อหนึ่งทุดดองก็มีหลายข้อมีหลายข้อเดี๋ยวแล้ว กลับเข้ามาใหม่นีนก็เอาไปทำภารกิจให้สบายก่อนไปทานนะปณ ะ, ะอะไรก็ว่าไปแต่ต้องกลับเข้ามานะ <c oughs> อย่าไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับไปแล้วก็กลับก็มีนับปณ ะ, ะให้กาแฟนะตาจะได้สว่างแก้ง่วงก็จะแก้ง่วงได้เหมือนกันแต่กาแฟ ไม่หมายก็ทานได้ทานไม่เป็นไรแต่ถ้าเก่าๆเราจะอาศัยสมาธิเราก็ไม่ต้องไปทานเพราะมันมันไปก่อบประสาทเน่ยเหมือนมันกอบประสาทเอาไว้มันก็จะข่มสมาธิของเราไว้มันก็มันก็นั่งก็นั่งอยู่ได้อแต่ว่ามันมันตื่อๆอย่างนั้นแะมันไม่เกิดอะไรบางคนมันเตื่อื้ออย่างเดียวไม่เกิดวะ เราต้องลองกดดูพวกนี้พวกเครื่องกระตุน้นก็สมาธิต้องอาศัยสมาธิล้วนๆบางสถานที่ก็ไม่ให้ทานพวกกาแฟพวกยาแก้ ป, ปวดนี่พวกเครื่องดื่มชูกําลังอะไรก็เอาอาศัยสมาธิล้วนๆเวทนาเกิดก็อาศัยสมาธิดับ <c oughs> ก็จะมีมสมาธิ ถ้าถ้าเราใส่พวกนี้มันก็จะมันก็จะดับไม่ได้มันก็อาจจะ ก, ก่อประสาททำให้คมเวศนาไปเฉยเฉยมันไม่ได้เกิดจากสมาธิจริงๆแต่ไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ยังทานได้อยู่เราก็กรรมฐานเนี่ยราก็ทำให้มีสติแล้ว ก, กรรมฐานก็ห้ามรบกวนกันด้วยครับ ลบกวนกันให้ทาให้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นบาปมันก็ทํากรรมฐานอยู่เราก็อย่าไปลบกวนนะอย่าไปส่งเสียงบางคนไม่รู้ว่าเป็นนั่งคุยกันนะ <c oughs> ไม่ได้ก็ว่าเป็นบาปเหมือนกันนะบาปเป็นบาปกาจะบาปเรียบบาปบาปเยอะด้วยไม่ใช่ในน้อ ย, อยบาปเยอะ คูบาจา์มนก่าช้างตตัวหนึ่งไปรบกวนแต่จริงมันบาปมากกว่านั้นเยอะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนางพิสณีนั่งสมาธิอยู่ที่คนมาม่งอนะีะอิกามัมก็มันแกล้งะแกล้งถ่ายรดกลเป็นนกนะนกมันแกล้งถ่ายรดนะพิสณีก็พอลืมตามาก็ดูอีกามันมันมันอันตรพาลมันมันถ่ายรดก็ลุกหนี พอลูกนี้คอยหลังนะอีกา อ, อกแตกตกลงมาตายตกอวจีเลยนะไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ไม่ใช่นิดหน่อย เ, ลยเวลาเขานั่งกันแล้วก็อย่าไปไปส่งเสียงรบกวนกันกรรมฐานเนะี้ยเราต้องเคารพกันไปพูดไปคุยกันว่มันก็ไปรบกวนกันอื่นอีกทาให้ไปเกิดจไปรบกวนสมาธิเขาสมาธิก็ากำลังจะได้พอกําลังจะได้ไป เป็นเรียกก็เลยไม่เข้าสมาทธิไม่ได้เพราะว่าเวลาจะเกิดสมาธิจะเกิดมันไม่ใช่ง่งายๆจะเกิดกันพอเราไปรบกวนนิดเดียวหายไปเลยนีมันไม่เกิดอีกยากเลยก็อย่าไปรบกวนกันนีบางคนก็นั่งสงบดีบางคนก็ไม่ค่อยสงบเงี้ยบางคนก็นั่งหลับอย่างเดียว ก็ต่างกันบางคนก็ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะเป็นนิสัยอ่ะเป็นนิสัยเก่าหรืว่าเอ๊ะสมัยแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันบางคนก็สงบบางคนก็ไม่สงบตัวนิสัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนิสัยที่สร้างมาในการมาบวชมันก็ไม่ใช่ง่งายๆอ่ะเป็นของที่ยากพรยเจ้าตัดไวายา้ยากบาคนที่จะมาบวชได้ต้องว่าแค่คิดในใจจะเป็นแสนกับ ม่ใช่ง่ายๆคิดอยู่แต่ยังมาไม่ได้ไม่กล้ามายังใจยังกล้าไม่พอถึงว่าใจกล้าอีกหน่อยหนึ่ง <c oughs> ประกาศให้คนรู้ได้พูดให้คนรู้ว่าอยากจมบัวนี่ก็อีกเป็นแสนกลับพอจะมานได้ก็ถือว่ามาเนี่ก็ไม่ใช่ ง, ง่ายๆต้องเป็นนิสัยก็นิสัยมาก่อนที่จะมาแตเวลามาแล้วนิสัยเก่ามันก็ยังไม่หมดไปอีก น, นิสัยเก่าที่มันก็ไม่หมดบางคนนั่งสงบดีอันนี้นิสัยเก่าเคยบวชมาก่อนมปลว่าพระน้องเขสงสัยอะสงสัยว่ามีคนมาฟังธรรมขุนเจ้าในห้าคนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะว่านิสัยเก่ามันมันไม่หมดอนุสัยเรียกว่าอนุสัยที่อยู่ในใจว่าน้องเรื่องอยู่ในใจเนี่ย <c oughs> มันมีอยู่มันก็จะเกิด เวลานั่งเวลามานั่งเนี่ยมันก็จะเกิดนิสัยเก่าจะเกิดนี่ถ้ามันไม่ไม่ดับไปอ่ะมันก็ไม่หมดนิสัยเก่ามันก็ไม่หมดเราจะนั่งให้ข้ามเมื่อเราต้องนั่งให้ข้ามให้ได้สมาธิมันก็จะข้ามนี่ไม่ข้ามมันก็ไม่หมดนิสัยเก่าไม่หมดทาไมนิสัยเก่ามันถึงถึงมันเกิดแต่ว่ามันไม่หมดเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันนะห้าคนไม่เหมือนกันอีกคน ฟังธรรมพเจ้าก็นั่งสงบดีเลยเข้าสมาธินั่งสงบดีอีกคนหนึ่งก็นั่งหลับเงี้ยนั่งหลับอีกคนหนึ่งก็นั่งขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งก็นั่งเขี่ยดินเล่นเงี้ยอีกคนก็แง้มมองนูดมองนี่ไปเรื่อยมองฟ้าไปเรื่อยทำไมไม่เหมือนกันพระนรกทูลถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันเจ้าว่าเพราะวาิสัยไม่เหมือนกันอนุสัยเก่ามันมีอยู่ ก็เลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาฟังธรรมจิตว่างๆอนุสัยกล่าวมันก็เลยเกิดอย่างคนที่เขานั่งสงบดีเนี่ยเขาเคยบวชมาแล้ว500รอชาติเคยบวชมาก่อน500รอชาติพอนิสัยกล่าวเขามีเวลาฟังธรรมเขาเข้าใจใการถืรธอทุดงเหมือนกันในกรชิกเนี่ยก็จะเป็นนิสัยอิสัยไปว่าใครถือทุดงเนี่ยพอมีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าเนี่ย โอกาสจะสำเร็จก็ก่อนคนอื่นเขาถ้าคนไม่เคยถือถดองเลยถึงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าก็ตามโอกาสจะสําเร็จก็เป็นไปไม่ได้นี่คนที่นั่งสงบดีเขาอันนี้ใส่เก่าเคยบวมมาก่อนห้าร้อชาติเวลาฟังธรรมก็เข้าสมาธิได้นั่งสงบดีอีกคนที่นั่งหลับคนนี้นั่งหลับแล้วเคยเกิดเป็นงูเหลือมมาห้าร้อยชาติอนุสัยกา่าก็เลยเกิด มานั่งฟังธรรมก็ง่วงหลับนั่งหลับนั่งหลับอนุสัยเก่ามันเกิดมันไม่มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผ่านไม่ข้ามอีกคนหนึ่งนั่งเคลียดินนั่งไปเคลียดินไปขีดไปเคลียรดินไปเพราะาอนุสัยเก่ามันเกิดเพราะว่าเคยเกิดเป็นไสาเดือนมาห้ารอชาตินิสัยเก่าไม่หมดมันก็มานั่งสมาธิมันก็เกิดอีกเดี๋ยวฟังธรรมอีสัยเก่าก็เกิด อีกคนที่เขย่าต้นไม้เคยเกิดเป็นลิงมาห้าร้อยชาติอีกคนที่แง้มมองทองฟ้าเคยเกิดเป็นหมอดูมาห้าร้อยชาตินิสัยเก่าก็มันไม่หมดไปมันมี <c oughs> น่เวลาทํากรรมฐานก็อนุสัยมันจะเกิดนี่ถ้าเราดับไม่ได้มันก็ไม่หมดไม่พน้นไมพ้นวิบากกรรม นี่เราจึงต้องทำกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสติก็จะพ้นวิบากกรรมได้เพราะว่ากรรมฐานอ ย, าอย่างอื่นมันมันมันไม่ไม่พ้นไม่พ้นวิบากกรรมนีเริ่มต้นเราก็ต้องให้มีสติแล้วกรรมฐานเจ้าก็มีมากมายตัดไปมากมายแล้วในปฏิปทานส่นก็ อ, อีกมากก็ต้องทําให้มีสติเพราะว่ากรรมฐานอื่นมันไม่ไม่พ้นไม่ข้าวิบากกรรมกรรมฐานเจากก้าแล้ว ที่เท่านตัดไว้ไม่ใช่ว่าไม่มีหรืออย่างกำหนดลมเนี่ยเวากำหนดลมก็ทั้งหมดก็ต้องลงที่สติทั้งหมดนะแล้วก็ฐาทั้งหมดก็ลงทสติอย่างลมเนี่ยจริงกําหนดลมอย่างเดียวเนี่ยตั้งถึง1617ขั้นตอนไม่ใช่ว่านั่งเฉยไม่ใช่นั่งเฉยมีขั้นตอนมีขั้นตอนในการกําหนดนะมีขั้นตอน แต่ในแต่ละขั้นตอนก็อธิบายไว้หมดว่าทำยงงยอย่างไรอย่างไรอย่างไปสู่ป่าแล้วคนไม้ในหลักอานาปานาสติที่พรเจ้าจสแสดงไว้าาหลักาอ า, กานาปานสติเนี้ยจะสแสดงทิเวสาลีเมืองเวสาลีแต่เมื่อก่อนนีนยังไม่เคยไม่เคยยังไม่ได้สแสดงสมมาก็จะสแสดงอสุภกรรมฐานนะถึงแสดงแต่อสุภกรรมฐานกล่าวถึงอสุภกรรมฐาน อยู่เป็นนิดเลยเป็นเป็นหนึ่งนิดเนี่ยนี่เป็นเวสาลีก็ไปกล่าวอันนี้อีกอสุภากรรมฐานเนี่ยแสดงอสุภกรรมฐานพระสุเมืองสาลีเมื่อพระเจ้าท่แสดงอสุภากรรมฐานกล่าวถึงอสุภากรรมฐานสังเสริญถึงอสุภกรรมฐานอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งพระสุเวสาลีก็ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็เกิดความเดี๋ยวเกิดความเบื่อหน่าย ในร่างกาย้องตัวเองในสังการของตัวเองเหมือนกับบรุษหนุ่มสาวที่รักความสวยงามอาบน้ำสระสะผมดำน้ำสะสะผมหรือว่าสกาวสะผมผู้รักสวยงามเอา ซากศพเน่ยศพเน่าศพมนุษย์เน่ามาแฝนคอศพ ส, สุนัขเน่ามาแฝนคอศพงูเน่ามาแฝนคอก็ เ, เกิดความเบื่อหน่ายร่างกายพระเจ้าท่านตัดถึงอาสวะกรรมานแล้วท่านท่านก็หลบไปในที่เล่นผสมระสผค์จะหลบไปในที่เลกเลน <c oughs> กึ่งเดือนในกึ่งเดือนนั้นก็ห้ามบุตรหนึ่งบุรุญไดเข้าไปนอกจาก ผู้ที่เอาพัฒหารไปส่งท่านั้นหนึ่งเดือนก็ลบไปในที่ ล, ลิ้นเลียนมีวิสูที่ปฏิบัติอสุภกรรมฐานก็เบื่อนหน่ายก็ปองชีวิตตัวเองก็เป็นจํานวนมากมากมายครัปงตัวเองมากมายหนึ่งโรคบางสองโรคบ้า ง, ส, ง, างสิบโรคยี่สิบโรคมันหกสิบโรคบ้างบ้างก็ไปหาท่านติสะสมณพุทธะพระคุณช่วยปองชีวิตของข้าพเจ้าที่ บาทและจีวรก็จะเป็นของท่านเนี่ยได้เห็นนี่เองท่านปุษตะสานักท่านติสตะสำนักปุษาะก็พงชีวิตพิสูจอีกเป็นมากมายว่าเมื่อท่านปุษตะสำนักติสตะถือดาบเปิ้ลเลือดนะคไปล้างในล้างอยู่ที่ชายแม่น้ำนะโุทุยูนาจิตอั่อมองก็เกิดขึ้นนะเราได้ลาบมาดีเสร็จแล้วเรา โชคไม่ดีซะแล้วเนี่ยได้ปร่งชีวิตของฟิสุผู้บริสุทธิ์มากมายเ่ยก็เกิดความต้องมองสลดความสลดก็เกิดขึ้นในใจในขณะนั้นเองเ <c oughs> ทวดาผู้เป็นมาร เ, เดินมาบนผิวน้นําำมิได้แตกก็ตรัสว่าดีแล้วดีแล้ ว, ลวเป็นลาภท่านแล้วโชค ข, ของท่านจแล้วท่านได้ทําผู้ที่ข้ามโอคะไม่พ้นให้ข้ามพ้น ได้เห็นี่เองท่านปุสาสัมณติสัะก็ถือดาบเองไปอารามสูอาอารามอว่าสุอว่านวิหารสุวิหารแต่ใครยังข้ามอกขะไม่พ้นนะข้าวเจ้าจะช่วยให้ข้ามพ้นเนี่ยเห็นนี้ก็ป่งชีวิตของพิสุอีกมากมายอ่ะหนึ่งลูปบ้างสองลูปบ้างหรือว่าถึง60รูปบ้างเนี่ยครบกลางเดือนพระเจ้าเสด็จออกมาก็ถามว่าพิสุ หายไปไหนเหลือน้อยเหลือน้อยหายไปไหนถามพระนอนวิสุหายไปไห น, น, ววหไไหนเหลือ น, น้อยลง <c oughs> พระนอ น, นก็ทูลถวายว่าเมื่อพระเจ้าทรงกล่าวถึงอสุภะกรรมฐานสังสารอสุภะกรรมฐ า, านเนี่ยตัดถึงอสุภะกรรมฐานอยู่หนึ่งเนืองวิสุเมื่อปฏิบัติแล้วก็เบื่อหน่ายในสังขาของตัวเองก็ปองคีวิตะเป็นมากมายบ้างก็ไปหาท่านติสสะสนณปุสสะว่าพ่อคุณ ชปรงชีวิตของข้าพเจ้าที่บาทและจีวรก็จะเป็นของท่านด้ว ย, นน เ, เ, ย, ยเหต น, นี้เองพิสูจ์ก็เลยเลยน้อยลงนะเหตุนี้เองพระนรุกก็เลยจูนถามว่ากรรมฐานอย่างอื่นที่สามารถให้พ้นทุกข์ได้นั้นมีไหมนอกจากอสุภกรรมฐานขุยอาจางแสดงถึงอสุออนาปานาสติเกิดขึ้นก็เป็นสูตรที่อนาปานาสติเกิดขึ้นแล้วก็เป็นต้นบัญญัติของปราชิกข้อที่สาปรุงชีวิต มนุษย์เนี่ยก็เป็นต้นประหยัดของบลาชิกด้วยพร <c oughs> <c oughs> จเจ้าจึงก็มี <c oughs> ที่จะทำให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ก็คืออนาปานาสติอนนาปานอนา ป, ปานาสตินะครับทำให้พ้นทุกข์เนี่ยบาปอาสุนจะหมดไปเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับลมพายุเนี่ยที่ตั้งขึ้นในป่าแล้วดูร้อนเนี่ยย่อม ทำฝนละอองให้ฟุงไปฝนย่อมทำฝนละอองให้หมดไปโดยฉับพันชั้นใดอนณาปรารสติก็จะทำบาครามส่วนให้หมดไปโดยฉับพันฉนั้นก็จึงตัดถึงอาณาปรารณสตินิอามานสตินะก็ต้องหลักที่มีสติทำให้มีสติอย่างปิสุผู้เข้าไปสูป่ า, าพระอตัดปิสุผู้เข้าไปสู่ป่าว่าไปสูป่าสูาส่คนไม้ สู่เรือนว่างเรือนว่างก็คือที่ไม่มีเรือนเรือนว่างสู่ปา่าก็คือที่ห่างจากบ้านห้าร้อยคันธโนหรือประมาณหนึ่งกิโลห้าร้อยคันตโนนก็ประมาณหนึ่งวารห้าร้อยคันตโนก็เรียกว่าป่าสู่คนไม้สู่ลมฟางหรือว่าเรือนว่างก็คือที่ไม่มีเรือน นั่งคู่ันหลังนะทั้งนั่งคู่มันหลังคือกายตรงด้วยนั่งคู่ันหลังกายตรงกายให้ตรงมีสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าคือมีสติเป็นตัวนํากรรมฐานก็ต้องมีสติเป็นตัวนําด้วยมีสติเฉพาะหน้ามีสติเป็นตัวนําถึงนี้เป็นกรรมฐานมีสติเฉพาะหน้ามีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกเนี่ย ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอันนี้ก็ให้มีสติก็เปรียบพยายเปียบไว้แต่ละขั้นเนี่ยเปียบอุปมาไว้หมดเนี่ยหายใจเข้ายาวก็เหมือนกับช่างกึงหรือว่าลูมือข้าในช่างกึงน่ยชักเชือกกึงยาวก็รู้ชัดว่าชักชืกเชือกกึงยาวชักเชือกกึงชั้นสั้นก็รู้ชัดว่าชักเชือก กึ่งสั้นเน่ยเขมีสติให้รู้ชัดพึงสําเหนียกว่าจะรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจเข้าพึงสําเหนียกว่าจะรู้เท่าทันกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจออกในกองลมทั้งปวงก็คือลมนะลมที่เข้าอย่างต้นลมอยู่ที่นาศิกกลางลมอยู่ที่หัดไทยไปลามอยู่ที่นาพีแลืวัดทิศทอง แต่เรารู้รู้ท้องปวงก็คือจิตเรารู้ที่เดียวไม่ได้เคลื่อนกรรมฐานก็ไม่ให้เคลื่อนไม่จิตเคลื่อนแต่โลที่เดียวเมื่อลมลมที่ผ่านเข้าอยู่สองชั่งโมงต้นลมกลางลมเนี่ยสุดลมเนี่ยเรารู้ชัดเฉพาะที่เดียวือที่จมูกที่เปรียบว่าเหมือนกับเมืองที่มัประตูเข้าออประตูเดียวเงี้ก็มีรู้เท่าทันในกองลมท้องปวงเมื่อหายใจเข้าพึงเหนียกว่าจะรู้เท่าทันในกองลมท้องปวงเมื่อหายใจออกก็เป็นขั้นขั้นพึงสําเนียกว่า จะรู้แจ้งในกายตะสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงเสนียกว่าจะรู้แจ้งในกายตะสังขารเมื่อหายใจออกกายสังขากคือลมหายใจก็คือกายลมหายใจกเป็นสายเหมือนกันกายสังขาจะรู้แจ้งรู้แจ้งในกาตสังเมหายใจเข้าพึงเนียกว่าจะรู้แจ้งในกายตะสังขารเมื่อหายใจออกพึงเนียกว่าจะระงับกายตะสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงเนียกว่าจะระงับ กายจสังขารมาหายใจออกการระงับกายสังขารและระงรับลมมาก่อนเราไม่กำหนดลมลมก็อาจจะหยาบเหมือนลมก็อาจจะหยาบเมื่อเรากำหนดลมลมก็จะเบา <_ c oughs> ก็เป็นการระงับกายต่อสังขารอันนี้ก็หลักให้มีสติพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตตสังขารมาหายใจเขา้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตตสังขารมาหายใจออกจิตสังขารคือความ ความปรุงแต่งแล้วว่าคิดนีความคิดเนี่ยแล้ก็รู้แจ้งพึงสําเหนียกว่าจะระงับจิ ต, ตสังขารมหายใจเข้าพึงสําเหนียกว่าจะระงรับจิ ต, ตสังขารมหายใจออกระงับก็คือระงับความปรุงแต่งของของใจของเราอารมณ์ที่เราฟุ้งซ่านระงับที่ว่าฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเป็นการระงับงระงับจิ ต, ตสังขารพึงสําเหนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตมหายใจเข้า พึงสำเรยกว่าจะรู้แจ้งในจิตมาหายใจออกรู้แจ้งในจิตก็จิตเรามา anya, รีราคะก็รู้ว่ามีราคาไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคามีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะ aja. จิตเราฟ ering, รุ้งซ่าน traveled, ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าไม่ฟุ้งซ่านจิตเราเป็นอุปจาระก็รู้ว่าเป็นอุปจาระไม่เป็นอุปจาระก็รู้ว่าไม่เป็นอุปจาระ ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็ไปเอารู้แจ้งในจิตพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงมาหายใจออกแล้วก็ยังจิตให้เราบันเทิงอยู่ในในสมาธิของเราก็มีขั้นตอนเยอะนะพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้ตั้งมั่นมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้ตั้งมั่นมาหายใจออกให้ตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่น เงสําเนียอว่าจะปล่อยจิตสังขารมาหายใจเข้าพเพสําเนียอว่าจะปล่อยจิตสังขารมาหายใจออกจิตสังขารตอนนี้ก็คือความคิดนั่นเองแต่ว่าจะปล่อยไปในอารมณ์ธรรมไม่ได้ไมไ่พิจารณาในองค์ธรรมในองค์ธรรมก็คือในองค์ธรรมก็เริ่มต้นกันบรรรมิวนาห้อารมณ์ธรรมหรือในในขันห้าก็อารมณ์ธรรมในยะสสีในยะม 4, ยรเมีแปก็เป็นอารมณ์ธรรมนี่เราก็จะปล่อยให้พิจารณา ปล่อยตัวสังขารตัวความคิดตัวนี้พึงอสำเน็กว่าพึงอสำเน็จว่าจะพิจารณาเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงมาหายใจเข้าพึงอสำเน็จว่าพิจารณาเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงมาหายใจออกพิจารณาธรรมก็คือที่นิวรห้หรือว่าในในขันห้าของเราในยตนะไปนอกไปในในยสสี่นี่คืออารมณ์ธรรมพิจารณาในอามธรรม พึงสำเนียงว่าพิจารณาเห็นวิลาคะเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียงว่าจะพิจารณาเห็นวิลาคะเมื่อหายใจออกวิลาคะก็คือความพอใจนะความพอใจยินดีในในฌานแล้วในรูปฌานตัวเวลาขะพึงสำเนียงว่าจะพิจารณาเห็นนิโรธนะเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียงว่าจะพิจารณาเห็นนิโรธเมื่อหายใจออกพึงสำเนียงว่า จะพิจารณาเห็นปฏิปฏินิสัคขะมหายใจเข้าพึงจำเนียกว่าจะพิจารณาปฏินิสัคขะมหายใจออกอันนี้เป็นขั้นตอนนะขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็มีอธิบายไว้เลยหมดทีด่ว่าการกำหนดลมมันก็ต้องทาให้มีสติก็มีขั้นตอนไว้ขั้นตอนไว้มากมากมายแต่ว่าต้องลงที่สติทั้งหมด ถ้าไมลง ส, สติในขั้นแรกกับขั้นอื่นก็ไปไม่ได้มี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำกรรมฐานให้มีสติถ้าให้มีสติไว้ก่อนนะเหมือนยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเวลามันก็จะเข้าใจกับมันเองเนี่ยถ้ามันไม่ถึงเวลาก็ไปคิดไปเดาไปอะไรมันไม่ได้ทั้งหมดนี่เราก็ต้อง <c oughs> ทำให้มีนี่ว่ากรรมฐานเริ่มต้นนะเริ่มต้นเริ่มต้นเราก็ทำให้ถูกพอถูกแล้วมันก็ขึ้นไปถึงยอดได้ถึงขั้นไปลายได้ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกรรมฐานหมดนะยืนก็เป็นกรรมฐานเดินก็เป็นกรรมฐานเรวก็ทำให้เป็นกรรมฐานให้มีสติหลงที่สติทั้งหมดนีนเริ่มต้นมันก็ต้องยากลำบากหน่อยทำให้มีส ต, ติมันยากลาบาก เราอาศัยความอดทนนะว่าเมื่อยุดฟากตายอ่ะฟากของความตายต้องอาศัยสละตายไม่สละตายก็เอาชนะใจเราไม่ได้ชนะกิเลสของเราไม่ได้ก็แม้แต่พระเจ้าก็ต้องอาศัยสละตายเหมือนกันต้องอาศัยสจัจจะถ้าไม่บรรลุ ก, ก็จะไม่ขยับไม่ลุกจากที่ไม่เล่กนี้ไปไหนฮะ ก็ต้องอาศัยสระตายว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นแล้วก็โดกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบรรลุด้วยกำลังของบรรลุด้วยความเบิ่งของบรรลุเนี่ยตราบนั้นก็จะไม่ลุกจัตทีก็ต้องใช้ใช้สัจจิฏฐานนี่คามสงบก็ต้องยอมยอมสระตายกิเลสเรต้องยอมสระตายยังเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง สตายเป็นตาย <c oughs> มีมายก็ต้องอาศัยกรรมฐานแบบเจ็บน้อยเจ็บน้อยให้ได้เสีย ก, ก่อนก็จะเป็นพื้นฐานไปตอนนี้ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรมันอยู่อีกวากหนึ่งอีกวากของเวทนามันอยู่อีกวากกระแสได้มนก็จะข้ามไปได้อีกวากหนึ่งเราจะได้สัมผัสนะฮะรู้จักก็ <c oughs> ปิติเกิดเราก็จะได้มีพลังนะพลังมันมีกําลังเวทนามันจะได้หายไปนี่ถ้าวิธีไม่ดับมันเวทนาไม่หายมันก็ลั้นั่งไว้ก็เนี่ยฟุง้งซ่านลำคาอะไรอย่างมันก็มันก็จะเอาเอาใจของเราไม่อยู่เอาจิตของเราไม่อยู่นี่มันดับไปได้บ้างก็จะมีกําลังใจขึ้น ก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติไปขึามาก็ยวรพอสมควรเดี๋ยวมียังมีพระมาก็ได้เวลาแล้วใครที่ไปทำธุระก็กลับมาได้แล้ว <c oughs> ทำธุระกลับมาได้เดี๋ยวจะมีพระมาแสดงทำต่อขึ้นมาก็มาขัดตัวก็ชั่วเขา่าไม่ใช่นักเทศไพิจานักพูดามา ไม่ใช่นักพูดเดี๋ยวพระนักเทศจะมาก็กลับเข้าม า, านี่ก็กลับเขามาสู่รันทําได้ก็ฝึกว่าลองไม่นอนดูนอนมาเยอะแล้วกล็ลองไม่นอนดูบ้างก็คิดว่าทําทำกรรมฐานแล้วมันก็แค่ทำใจมันก็ ว, นนนว่าเราจะได้เงินเราจะได้เงินรันนั่งแลเราจะได้เงิน แล้วมันก็เป็นง่วงอ่ะเมื่อคนที่เล่นไพ่จะได้จะได้เราก็ทําใจแันจะได้จะได้แล้วมันก็เป็นง่วงคนเล่นมาจนเล่นจนตายอ่ะเล่นห้าวันห้คืนเล่นจนตายอถาถบ้านเดินกลับมาล้มตายไปเลยลนั่งอยู่ได้เล่นห้าวันห้าคืนใจมันจะได้จะได้เราก็นั่งกรรมฐานเราคิดว่าเฮ้ลังจะได้เงินเงี้ย มันก็จะไม่ง่วงแก่ง่วงได้ก็ทำใจแบบนั้น <c oughs> มันก็จะได้ไม่ง่วงอมาก็าเอวังละลสะาธุขอให้ยอมมีความสุขให้โชคดีให้สมหวังในสิ่งที่ปัฒนาให้ได้ตรงต่าเห็นทมให้ธรรมะคุ้มครองกันทุกคนทุกท่าน